นามัตุรัตนตยัตสาขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนัตยและขอเจริญพรต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านก็วันนี้ถือเป็นการังธรทมปฏิบัติธรรมพิเศษโดยปรารบเหตุสองประการประการแรกก็คือ ด้วยวันที่ยี่สิบกพฤษภาที่จะถึงนี้ตรงกับวันขึ้นสิบห้าำเดือนหซึ่งปีนี้ก็เป็นเดือนเจ็ดถือเป็นวันนาสาขาวิส า, าขาบูชาเป็นการบูชาในในวันที่พระจันทร์เสวยวิสาขฤก ซึ่งเป็นความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเป็นวันคล้ายกับวันที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นประสู ต, ติตรรู้และปรินิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของโลกหรือของจักรวาลแสน จ, จักรวาลล้านจักรวาลก็วา่าได้ ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐผู้เลิศที่สุดในบรรดาสิ่งมีชีวิตทั้งปวงการมีพระพุทธเจ้าขึ้นมานถือว่าเวลาก็เป็นเวลาที่เลิศวันก็เป็นวันที่เลิศโอกาสที่เลิศสถานที่ก็เป็นสถานที่ที่เลิศสมมุติเป็นภาษาอะไร ถ้าเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าแลถือว่าเป็นที่เลิศไม่มีสิ่งใดมาเทียบเท่าได้นั้นวันนี้เป็นวันที่22แต่ว่าวันวิสาขาบูชาจะตรงกับวันที่26ในปีนี้ก็ถือว่าเป็นห่วงของเทศกาลแห่งวิสาขาบูชาอันนี้เป็นเหตุที่หนึ่งเหตุที่สอง ด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายกับวันเกิดของอัตอมาภาพเองก็ทุกๆปีก็ไม่ได้จัดส่วนมากก็จะไปจัดที่วัดเล็กๆน้อยๆแต่เดิมปีนี้นั่นตั้งใจว่าจะ ไ, ไปเปิดการปฏิบัติธรรมสองคืนสามวันแล้วก็ตแต่ตอนแรกนั่นน่ะเป็นอาทิตย์เลยะตั้งแต่วันที่สิบเก้าถึงวันที่ยี่สิบ เออยี่สิบหกยี่สิบเจ็ด่น่ะพอตอนหลังก็โควิดเริ่มเข้ามาตอนลดลงมาเลือสามวันเป็นสิบเก้ายี่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองตอนนี้ก็ปิดไปเลยเพราะความรุนแรงของโควิดแต่ว่าทางคณะกลุ่มมนโนใหม่โดยอาการทำดีร่วงโรด และก็คนณะญาติโยมที่มีความคุ้นเคยรู้จักกันก็เห็นว่าควรจะจัดทีนี้ให้ต่อมาเป็นผู้ตัดสินเรื่องว่าจัดอย่างไรก็เลยคิดว่าในการจัด ก, การมุทิตาในเรื่องของวันเกิดเราก็เห็นกันมาเยอะแล้วส่วนมากก็เป็นการ กิจกรรมที่ร่วมกันกระทำเป็นกิจกรรมทางศาสนาบางเป็นสาธารณประโยชน์แล้วแต่ความพร้อมของของท่านนั้นนั้ น, น, นต่ตมาเห็นว่าไม่ว่ากิจกรรมอะไรที่ที่เราจะกระทำกันเนื่องด้วยด้วยเหตุที่เราปราลรบกกันเองนั้นไม่มีกิจกรรมใดที่จะดีเท่ากับการ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงปีนี้จึงกำหนดการมุทิตาสการะเป็นการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมี่มัมติดอยู่ในสถานาการณ์ของโควิดก็เลยกลายเป็นการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมออนไลน์ออนไลน์ก็คือว่านั่งเทศอยู่ผู้เดียวกัน ท, ทั้งหลายกเข้ามาร่วมชมร่วมฟังกันอยู่ทางบ้านผ่านทางเพจของเฟซบุ๊ แล้วก็ถ้าตอนนี้ยังเข้ามาฟังไม่ได้ชมไม่ได้ก็สามารถที่จะเข้าไปฟังย้อนหลังได้ก็ดีดว่าได้ประโยชน์อันนี้เป็นเหตุที่สองเรียกว่าเป็นออกมาเป็นเหตุอนมันปรารฏสำหรับการที่จัดการฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมออนไลน์ในครั้งนี้เหตุอันต์ก็ตามแท้ที่จริงแล้วเป้าหมายของเรา ก็คือการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมส่วนเหตุอันเป็นวิสาขาบูชาก็ดีอันเป็นเนื่องโดยวันใคล้วันเกิดก็ดีมันเป็นข้ออ้างข้ออ้างสำหรับมาให้เราทําการปรารบขึ้นมาเพื่อที่จะทํากิจกรรมเพราะว่าการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมนั้นมันเป็นการขัดเราซักฟอก ชีวิตจิตใจของเราให้สะอาดให้สว่างให้สงกการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมมันเป็นกิจกรรมที่ยกตัวของเราขึ้นจากทะเลแห่งความหลงเป็นการจัดระเบียบของตนเอง ไม่ให้แปลกเปื้อนอยู่ในทะเลของอาสาวะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้ใจของเรานั้นมีฉันทะต่อกุศลธรรมมีความละอายต่ออกุศลการความธรรมและการปฏิบัติธรรมมันเป็นการที่จะทำให้เราตื่นขึ้นมา จากการที่ปล่อยให้ชีวิตจิตใจของเรานั้นตกอยู่ในพ่วงอำนาจของอารมณ์ทั้งปวงแล้วก็ใช้สติปัญญาในการพิจารณาและก็ตัดสินใจในการกระทำในการพูดเพราะฉะนั้นการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมมันจึงเป็นแก่นสารเป็นสาระของกิจกรรม ส่วนเหตุต่างๆนั้นมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างสำหรับที่จะนำมาใช้เพื่อจัดกิจกรรมอย่างนี้ถ้ามีเหตุสำหรับอ้างเพื่อให้ทำกิจกรรมอย่างนี้บ่อยๆมีทุกวันทุกวันเลยก็ยิ่งดีแต่คนคนหนึ่งนั้นมันมีข้ออ้างเยอะเช่นวันเกิดบ้างวันครบครอบ วันตายของคุณปู่บ้างคุณย่ามั่งก็ อ, อ้างแต่และข้ออ้างทั้งหมด่ะยกขึ้นมาเพื่อจัดกิจกรรมเป็นการควังธรรมและปฏิบัติธรรมมันก็จะได้ประโยชน์ได้ได้เป็นแกนสารกับชีวิตของเราโดยเฉพาะวันนี้ก็ด้วยอ้างสองประการเป็นวิสาขาบูชาด้วยเป็นเนื่องในวันที่ใล้กับวันเกิดของอนตมาด้วยก็เลยจึงเป็นพิเศษขึ้นมา วันวิสาขาบูชาคือวันที่เรามาทำการบูชาอันเนื่องในเดือนวิสาขะซึ่งโดยปกติก็ตรงกับวันเพ็ญเดือนหกนะแต่ว่าปีใดที่เป็นอาทิกามาศคือมีเดือนแปดสองผลมันก็จะวันวิสาขาบูชาก็จะเลื่อนมาเป็นเดือนเจ็ดอย่างปีนี้ปีนี้ก็จะตรงกับเดือนเจ็ดขึ้นสิบห้าคเดือนเจ็ด วิสาขาบูชามันมีแก่นสารที่เป็นความสําคัญอย่างไรเราจึงต้องยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างสําหรับการที่จะต้องมาปฏิบัติธรรมและก็การฟังธรรมกันนั้นความสําคัญของวันวิสาขาบูชาดังที่ทราบก็คือเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรรู้และปรินิพพานเรา ต้องบูชาพระพุทธเจ้าอย่างไรการบูชาพระพุทธเจ้ามันก็ทําได้สองอย่างถ้าตามแบบก็คือว่าปฏบิบัติบูชากับอามิตสบูชาอามิตสบูชาก็คือการกราบการไหวการใช้ดอกไม้ถูบเทียนที่เราเดือนเวียนเทียนกันแต่ปีนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปจัดกิจกรรมร่วมกันได้ในวันที่26แต่ก็ท่านจะจัดเป็นออนไลน์ ก็คิดว่าตามที่มีข่าวประกาศมาก็วัดโบนิเวศสวิหารท่านก็จะจัดและก็จะมีการออนไลน์กันพวกเราก็สามารถที่จะนั่งปฏิบัติกันอยู่ที่บ้านได้เนีย่ยเป็นหลักนะที่เราต้องบูชาในวิสาขานั้นเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าในแง่ของบุคคลแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าถือเป็นบุคคลผู้เลื่อที่สุด ไม่มีใครมาเทียบเท่าพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเลิศด้วยเหตุอะไรพระพุทธเจ้าเลิศด้วยเหตุที่เป็นผู้สามารถชี้ทางในการที่จะทําประโยชน์อันถูงสุดทั้งประโยชน์ในส่วนที่เป็นมนุษย์ที่อันเป็นปัจจุบันเรียกว่าเป็นมนุษย์สมบัติ ประโยชน์สูงสุดในส่วนที่เป็นปรมัาทหรือว่าประโยชน์สูงสุดคือในส่วนที่เป็นปรมัาทคือพระวิฐานหมายความว่าล่วงพ้นจากแดนของความทุกข์สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ไม่มีใครสามารถที่จะคิดเองตามอําเภอใจโดย ที่จะได้ประโยชน์อันสูงสุดเหล่านี้แต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ทรงใช้ความเสียสละความภาคเพียรพยายามความอดทนอย่างถึงที่สุดขฝึกวนพระองค์หลายภพหลายชาติถ้าตามตาําราว่าเสียสงไข่กับแสนกลับกว่าที่จะมีพระไคซึ่งพร้อมกับการที่จะตรัตรู้และการตรัตตรู้ของพระพุทธเจ้า นั่นเหมือนกับการค้นพบแล้วรู้ก็คือว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่มาไม่ใช่ว่ามีใครมาบอกหรือใครมาหยิบยื่นประทานให้เป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้วมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ในรูปในนามในกายในใจในชีวิตของเรานี่เองเพราะฉะนั้นทุกๆชีวิตมีสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้ พระพุทธเจ้ารู้เข้าไปในพระทัยของพระองค์ในชีวิตของพระองค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้จึงมีอยู่ในทุกๆชีวิตแต่ชีวิตทั้งหลายจะไปรู้เองง่ายๆนะมันไม่ได้เพราะสะภาพธรรมชาติที่เคลื่อนไหวอยู่ในชีวิตของทุกชีวิตมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็าเรียกว่ากิเลสชาติมีอวิชชาเป็นหัวหน้าแบบที่สอง เรียกว่าคุณชาติธรรมชาติมีวิชาเป็นหัวหน้าให้ชีวิตแรกเริ่มเมเริ่มเดิม ต, ตั้งต้นของชีวิตมันมีอวิชาเป็นหัวหน้าวันพอเราเคลื่อนไหวหรือเราปรารถนาอะไรส่วนมากเราจะคิดเอาพอเราคิดเอาคิดเอาคิดเอาเราก็ไปเป็นอาหารของอวิชาหมดพอไปเป็นอาหารของอวิชาหมดเราก็ไม่สามารถ ที่จะยกชีวิตของเราออกจากอาวิชชาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะมาชี้มาบอกแนะให้เราก็ ย, ยิ่งไปไม่เป็นใหญ่เลยชีวิตเราก็จะต้องเวียนว่าอยู่ในสังสารวัติด้วยอำนาจของอวิชชานะั่นแหละเป็นหัวหน้าไปเรื่อย เราใช้ชีวิตอย่างมีความทุกข์เราก็ไปพึ่งพาในสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆที่เราไปพึ่งพาก็มันไปพึ่งด้วยอำนาจของอวิชชาพอไปพึ่งด้วยอำนาจของอวิชชามันก็ไปตีขลุมยกเบกสมมติไปพึ่งพาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปพึ่งพาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพึ่งพาสิ่งโน้นเหมือนที่ท่านว่าปวงเวสรังยันติ มนุษย์บัปปานิวนานิจจะอารามารุกเจตยานิมนุษย์าพยตัจิตาขวามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคุกคามคือเกิดความกลัวก็ย่อมไปพึ่งพาสิ่งต่างๆเช่นพึ่งพาภูเขาบ้างพึ่งพาต้นไม้บ้างพึ่งพารุกคเจดีบ้างพึ่งพาวัตถุบงกชนต่างๆบ้างนักวจิจารณ์ท่านว่า เนตังโกสรณะังเกมังเนตังสรณมุตตัมังเนตังสรณะธรรมะสัพพะดุขะปะมุตจติว่าที่พึ่งนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดบุคคลอาศัยที่พึ่งนั่นแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์หรือพ้นจากปัญหาได้ถ้าเรามีปัญหาอยู่และเราไปหวังพึ่งสิ่งเหล่านั้นเราไม่สามารถที่จะพ้นปัญหานั้นได้ไม่ไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้ แต่สิ่งที่เราไปหาที่พึ่งเหล่านั้นน่ะเราไปหาด้วยอํานาจของอะไรก็ด้วยอํานาจของอวิชชาแต่ไหนแต่ไรมนุษย์ก็หากันอย่างนี้แหละเราจึงมีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วโลกไม่ว่าไปประเทศไหนไปประเทศจีนไปประเทศเกาหลีไต้หวันหรือไปประเทศไหนไม่ว่ามุมไหนของโลกเดินก็ไปแล้วเราก็จะเจอแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งกสิทธิเหล่านั้นเกิดด้วยอำนาจของอวิชาคือบุคคลพูงโง่เขาแล้วก็หวังที่จะไปพึ่งสิ่งนั้นๆและให้ตนพ้นจากทุกข์แต่มันพ้นไม่ได้เนี่ยอนานาจของอาวิชาที่พอเป็นพระพุทธเจ้าน้เป็นอย่างไรโยจะพุทธนันจะทำมันจะสร้างคันจะสาร้างนังคต ชะตริอริยาสัจานิสมปัญญายาปัสสติ ด, ด, ด, ดาากมมกุกขังดุขะ sama ปัดังดุขะสอติกรรมาริยันชะตังทกิจังมักคังดุกคู่ปะสมะคามินางเป็นต้นมันยาวหน่อยแต่ว่าผู้ใดที่ถึงพระพุทธเจ้าผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสนะการถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ถ้าเราถึงไม่เป็น เรียกว่าได้แค่ถือด้วยอำนาจของอวิชชาเหมือนกันถือแต่ไม่ถึงถ้าถือแต่ไม่ถึงแค่ถืออย่างเดียวก็เป็นอวิชชาเพราะว่ามันกลายเป็นการไปหลงในรูปลักษณ์ในรูปแบบในสีสันในสิ่งต่างๆที่ถูกสมมติว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเราแค่ถือมันก็จะหลง แต่มันจำไรจะต้องคือถือและต้องถึงการถึงพระพุทธเจ้านี่ถึงอย่างไรถึงพระพุทธเจ้านี่จตาริอริยาาสัจจานิสมะปัญญายปสติเมื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรียกว่าถือให้ถึงเมื่อถึงแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้มีความรู้ในอริยสัจธรรมสี่ประการ อริยสัจธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นจะถูกผูกไว้กับผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าถ้าผู้ใดที่บอกว่าถึงพระพุทธเจ้าแล้วถึงพระรัตนาไตรแล้วแต่ห่างจากอริยสัจธรรมดำเดินชีวิตห่างจากอริยสัจธรรมการศึกษาการเชื่อการตัดสินใจเดินออกจากอริยสัจธรรมผู้นั้นเดียบัดไม่ถึงพระพุทธเจ้า งันท่านจัดไว้ชัดกว่าเมื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะเดินอยู่ในอริยสัจธรรมสี่ประการจะตาริอริยสัจจะนิสมาปัญญายปัสสติดุขังดุกขัตสมุปปังดุกขัตสัจจะอติก ม, มังคืออริยสัจธรรมสี่ประการก็คือถึงถึงความทุกข์ทุกที่เราจะเข้าไปถึงรู้ในความเป็นจริงของความทุกข์ รู้ในความเป็นจริงเหตุของความทุกข์รู้ในความเป็นจริงคือความดับทุกข์รู้ในความเป็นจริงคือข้อปฏิบัติสําหรับที่จะให้เข้าไปสู่ความดับทุกข์มารู้อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าถึงพระพุทธเจ้า เอตังโกตระนังเคมังเอตังตระนามุตตะมังเอตังตระนามะคัมมะสะ บ, บัดดุคาพระมุจจ ต, ตินี่เป็นที่พึ่งอันกเกษมนี่แหละที่พึ่งอันสูงสุดบุคคลถึงที่พึ่งนี่แล้วย่อมพ้นจากทุกได้อันนี้พูดถึงเรื่องของปรารบพิสาขบูชาว่าทําไมเราจึงถึงพระพุทธเจ้า แล้วทำไมเราจึงต้องปฏิบัติในวิสาขาบูชาเพราะเมื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตของผู้นั้นจะถูกขัดเกลวเป็นชีวิตที่สะอาดเป็นชีวิตที่สว่างเป็นชีวิตที่สงบเมื่อใจถึงพระพุทธเจ้าแล้วแค่ระลึกถึงมันอุ่นในวัวใจและจิตก็จะน้อมกัาไปเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำทังสอนไม่ดื้อต่อพระพุทธเจ้า ไม่ดื้อต่อพระธรรมไม่ดื้อต่อพระสงค์อันนี้เรียกว่าถึงถึงพระพุทธเจ้าแล้วแต่ถ้ายังใช้อาวิชาผูกติดผูกใจอยู่ก็ไม่เรียกว่าถึงแต่อาจจะเรียกได้ว่าถืออย่างที่เราต้องมาตกเถียงกันเรื่องของพระพุทธเจ้าว่า พระพุทธเจ้าอย่างนั้นอีกฝวายนึงว่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้อีกฝวายนึงว่าพระพุทธเจ้าอย่างโน้นเอาผู้มามาสนับสนุนแต่ละฝ่ายก็ต่างก็อ้างกันว่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าอย่างโน้ตการเถียงกันอย่างนี้ก็เรียกว่าถือทั้งนั้นนะเรียกว่าถือทั้งนั้นถือด้วยอำนาจของทิฏฐิมานะยังไม่ถึงจิตที่มันถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะถูกผูกไว้กับอริยสัจจะทำ ถึงคืออะไรถึงคือว่ามันน้อมเข้าไปพึ่งพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่เคารพที่นับถือจะขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของตนในแต่ละเรื่องแต่ละด้านจะไม่ละเมิดต่อพระพุทธเจ้าเด็ดขาดอันนี้เรียกว่าถึงคือมีพระพุทธเจ้าแล้วมันอบอุ่นในหัวใจจะ ก, กราบหรือจะอะไรสักอย่างหนึ่งจะกล่าวเอ่ยถึงหรือจะ ทำอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามันจะนึกถึงพระพุทธเจ้าเจ้าขึ้นมาจะใส่บาตรมันก็ถึง พ, ะพร ะ, ะพุทธเจ้าจะไหว้พระสวดมนต์ก็จะถึงพระพุทธเจ้าจะทำอะไรดีๆมันจะถึงพระพุทธเจ้าไปหมดอย่างนี้เรียกว่าจิตมันถึงถ้าถึงอย่างนี้มันจะเติบโตด้วยกุศลธรรม มันจะน้อมตัวเองเข้าไปสู่การปฏิบัติไม่มีใครที่ถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะยินดีในความชั่วร้ายไม่มีใครที่ถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีใครที่จะถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะทำให้สังคมแตกแยกไม่มีใครที่ถึงพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ขมเหงผู้น้อยถ้าเป็นผู้น้อย ที่ถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ดูหมินดูแคลนผู้ใหญ่เรียกว่าเมื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วทุกอย่างจะเข้าสู่จุดร่วมอันนำมาซึ่งความสงบและความสุขอย่างสิ้นเชิงไรซึ่งความแตกแยกมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราถึงพระพุทธเจ้าได้ขนาดไหนทำไมถึงพูดอย่างนี้ ก็พระพุทธเจ้าเป็นของจริงเป็นของจริงที่สามารถเข้าถึงได้ถ้าผู้ใดเข้าถึงแล้วก็จะรู้พระพุทธเจ้าไม่ใช่สมมุตินามไม่ใช่ชื่อที่เราสมมุติขึ้นมาลอยๆอย่างไร้เหตุผลพระพุทธเจ้ามีตัวตนมีตัวตนจริงๆแล้วการได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นด้วยความพยายามของบุคคลคนนั้นจริงๆ ผลจากการที่ตัดรู้เมื่อสั่งสอนแล้วมีผู้ปฏิบัติตามต่อเนื่องสืบทอดกันมา 2,500 กว่าปีจนถึงวันนี้ปฏิบัติแล้วมันได้ผลจริงมันจึงเรียกว่าเป็นของจริงพอเป็นของจริงที่สัมผัสได้รื่การถึงพระพุทธเจ้ามันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ในปัจจุบันโลกเขายอมรับว่าวิสาขาบูชาให้เป็นวันสาคัญของโลกเรียกว่าวันวิสาขาบูชาโลกแต่ให้จําไว้ว่าการถึงพระพุทธเจ้าจะต้องผูกโยงกับพระอิศุอริยสัจธรรมสี่ประการที่ผูกว่าที่ที่พูดว่าผูกกับอริยสัจธรรมสี่ประการนั่นคือว่ามีวิชาเป็นหัวนหน้าการปฏิบัติหรืออะไรก็ตามที่จะ เอถึงพระพุทธเจ้าแต่มีอวิชชาเป็นหัวหน้านั่นเรียกว่าความหลงความหลงทำย่างไรก็เข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าเลยใช่เปิดแนวทางการศึกษาและการปฏิบัติขึ้นมาด้วยชี้แจงทำหน้าที่เป็นมักขคายีคือชี้แจงบอกทาง และก็วิธีในการดำเดนินว่าเราจ ะ, จะเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าเนี่ยให้รู้ให้เห็นตามสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้และสอนนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะต้องพัฒนาสติปัญญาของเราถ้าสติปัญญาของเราไม่พัฒนาถ้าในคราใดาในชีวิตปกติเราอยู่อมนาจของความโลภความโกรธความหลง อยู่ในอำนาจของอารมณ์ต่างๆเราไม่สามารถที่จะใช้สติปัญญาอันมีอยู่ในขณะนั้นดำเดินตามพระพุทธเจ้าได้แต่เมื่อเราได้ฟังแล้วเข้าใจได้รับวิธีการที่ถูกต้องแล้วเราก็เริ่มต้นฝึกฝนอบรมตนเพื่อการพัฒนาสติปัญญา ให้สติปัญญาของเรานั้นมันจเจริญยิ่งขึ้นจเจริญยิ่งขึ้นจเจริญยิ่งขึ้นสติปัญญาที่เขาจเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในชีวิตของเราในจิตของเรานั้นก็จะสามารถจะสามารถที่จะยกตนขึ้นได้เรียกว่ารู้ตามสิ่งที่พระพุทธเจา้ารู้แล้วนำมาสอนได้ทันทุกอย่างมันจึงวัดกันตรงที่การพัฒนาสติปัญญา บุคคลผู้กล้าหาญผู้เด็ดขาดกับชีวิตจะมาอยู่เฉยด้วยการคิดนิดๆหน่อยๆ อ, อ่านหนังสือหน้าสองหน้าเรียกมาประกาศตนเป็นศาสดาอย่างนั้นหรือประกาศตนเป็นผู้รูป้ประกาศตนเป็นอรหันต์ประกาศตนเป็นผู้ที่สูงส่งออย่างนั้นไม่สามารถไม่สามารถที่จะเป็นได้ ไม่ใช่ว่าดูถูกดูแคลนแต่ว่ามันผิดทางมันผิดทางจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมันข้อสําคัญที่สุดก็คือการพัฒนาสติปัญญาเมื่อพูดถึงเรื่องของการพัฒนาสติปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้อะไรให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติปัญญาของเราพระพุทธเจ้าต้สอนไม่ได้ให้เราไปหาสิ่งอื่นได้ ก็ให้ใช้ตัวของเราเองเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติปัญญาตัวเราเองมีอะไรมั่งก็มีร่างกายและจิตใจที่เราเรียกกันว่ารูปและนามตัวนี้แหละเป็นตัวเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าการพัฒนาสติปัญญานั้นจะต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราเองที่ตายที่ใจนี้ ที่รูปที่นามนี้ไปเริ่มที่อื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ของการฝึกฝนอบรมตนคือกายและใจกายและใจหรือรูปและนามนี่แหละเรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ของการพัฒนาสติปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นปัจจัยสำหรับการเรียนรู้ ในเรื่องของการพัฒนาสติปัญญาถ้าเราจะบอกว่าเราจะต้องมีการมีสติแล้วเราจะบอกว่าเรามีสมาธิแล้วแต่ไม่รู้เรื่องกายเรื่องใจของตนไม่รู้เรื่องรูปเรื่องนามเลยอย่างนี้เรียกว่าสติปัญญาที่ว่านั้นมันก็ไม่จริงส่วนมากมันก็เป็นโมหสัญญาก็คือเป็นการหมายรู้ด้วยอนาจของความหลง ไม่มีส่วนแห่งความที่คิดถึงที่ชื่อว่าปัญญาเราสามารถที่จะตรวจสอบสภาพชีวิตของเราเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจหรือทางความคิดว่าเราอยู่ในโมหสัญญาหรือเราอยู่ในปัญญาที่เป็นสติปัญญาก็ดูจากอะไรก็ดูจากความอ่อนไหวของใจต่ออํานาจของอกุศล ถ้ามันมีสิ่งใดมากระทบแล้วให้เกิดเป็นอกุศลและอกุศล น, นั้นมีอำนาจอยู่ในใจของเราอยู่เป็นเรื่อยๆและเราก็ไม่สามารถที่จะไปทัดทานยับยั้งต่ออกุศลเหล่านั้นได้จนมันเกิดแล้วก็สำเร็จไปที่ใจของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นน่ะความรู้ทั้งหมดน่ะที่เรามีอยู่ไม่สามารถไปต้านทานได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสติปัญญา แต่มันอยู่ในรูปแบบของโบหะสัญญาคือการหมายรู้ด้วยอำนาจของความหลงแม้แว่ามันมีชื่อเรียกว่าสติมีชื่อเรียกว่าสัมปชัญญะมีชื่อเรียกว่าฮิริโอตปะตามที่เราหมายรู้ไว้แต่มันเป็นโบหะกสัญญามันมันมาอีกทีหนึง่งก็คืออกุศลจบแล้ว สำเร็จเป็นอกุศลจบไปแล้วโกรธไปเรียบร้อยแล้วด่าไปเรียบร้อยแล้วทุกตีกันไปเรียบร้อยแล้วช่อโพงกันไปเรียบร้อยแล้วมันจึงเกิดขึ้นมาทีหนึ่งว่าเอาเป็นอกุศลถึงจะรู้สึกตัวได้ว่าเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นในการพัฒนาสติปัญญามันจึงต้องใช้กายใช้ใจนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าสติปัฏฐานสีบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ติดตามในขณะนี้ที่อินทมาลนำพาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอน า, านาปานสติคือเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการเจริญสติในการพัฒนาสติปัญญาทำไมเราใช้ลมหายใจก่อนอื่นเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วมันง่ายๆมันไม่ยาก ดูตามที่พระพุทธเจ้าสอนสามารถปฏิบัติตามได้เป็นประโยคประโยคประโยชเลยไม่ต้องไปทาความเข้าใจอะไรมากมันตรงๆงแล้วลมหายใจมันเป็นกายเจ้าถ้าเมื่อเรารู้ลมหายใจแล้วลมหายใจมาเป็นกายอย่างหนึ่งในกายทั้งหลายแล้วก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วยามเวลาที่เรานั่งเฉยๆ เ, เราก็หายใจ ยามเวลาที่เราทํางานอยู่ที่ออฟฟิศที่บ้านเราก็หายใจเราทํางานบ้านเราก็หายใจเราทานข้าวเราก็หายใจไม่ว่าเราทําอะไรเราหายใจของเราอยู่ตลอดเวลาเพราะร่างกายมันหายใจอย่างเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วมีพระเจ้าให้เอาลมหายใจที่ร่างกายเขาใช้อยู่มีนั่นแหละว่าตอนที่ลมหายใจออกลมหายใจเข้า ให้อดจิตที่รู้เนี่ยให้ทำการรู้ลมหายใจที่ออกรู้ลมหายใจที่เข้าเรียกว่ารู้ก็ไปตรงๆการที่เรารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเข้าไปตรงๆเรียกว่ารู้ซื่อๆรู้ตรงๆเข้าไปไม่มีอะไรมากเลยแค่ทำหน้าที่รู้ลมหายใจออกแค่ทำหน้าที่รู้ลมหายใจเข้าเท่านั้นแหะรู้ตัวนั้นก็จะแข็งแรงขึ้นมา เรื่องต้นพระพุทธเจ้าให้เราทำด้วยคำว่าปัญชานาติรู้ในการกําหนดรู้ทําไมต้องกําหนดรู้ก็เพราะว่าแต่ก่อนไอตัวรู้มันไม่รู้เรื่องอื่นะไม่รู้เรื่องบ้านเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเถื่อผ้าเรื่องสินค้าเรื่องเครื่องประดับเรื่องเรื่องอื่นรู้เรื่องอื่นไอตอนนี้เราจะปฏิบัติตามสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อมารู้ลมหายใจอันรู้แรกเริ่มมันจึงต้องกําหนดรู้พระเจ้าเลยใช้สัพพะประชานาติพอกําหนดรู้ดูลักษณะของลมที่ออกลมที่เข้ากําหนดรู้ลมที่ออกลมที่เข้ากําหนดรู้ไปเรื่อยๆจนลักษณะอาการแปรปรวนของลมยาวบ้างสั้นบ้างหยาบบ้างละเอียดบ้างดูไปเรื่อยๆ ตามลักษณะที่ลมมันเกิดแต่จิตก็รู้ตรงกันไปเรื่อยๆพอรู้เลยลักษณะของกำหนดรู้มันก็จบการกำหนดรู้จบแล้วต่อไปพระพุทธเจ้าให้เรารู้ด้วยลักษณะของการศึกษาเรียนรู้ที่ใช้ศัพท์ว่าสิกขิการศึกษาเรียนรู้หมายความว่าเน้นกันไปสู่ความละเอียดรายละเอียดของลมหายใจ รู้เข้าไปเมื่อเราศึกษาเรียนรู้ตอนที่เรากำหนดรู้เราก็จะได้รู้ที่เป็นระเบียบพอเราไปศึกษาเรียนรู้มันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้นั่นแหละความรู้นั้นมีสติกับสมาธิอยู่ในนั้นนั้นเราปฏิบัติรู้ลมหายใจ ทำไมสติกับสมาธิไม่เกิดหรือเกิดน้อยเพราะมันไม่ได้เกิดความรู้ตอนที่สติกับสมาธิเกิดอยู่ที่ความรู้ไอ้ตัวรู้ที่มีสติสมาธิเกิดนั่นคือตัวรู้ที่มาจากการศึกษาเรียนรู้เวลาศึกษาเรียนรู้ลมหายใจมันจะมีลมหายใจเป็นสิ่งถูกศึกษาเรียนรู้จิตที่รู้ก็ไปศึกษาเรียนรู้ลมหายใจเรียนรู้เรียนรู้ไปเรื่อยๆ ตัวความรู้ก็จะเกิดแข็งแรงขึ้นมาตัวความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ลมหายใจและแข็งแรงขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าสติกับสมาธิอยู่ในนั้นเมื่อความรู้ที่มีสติแต่มีสมาธิมีกําลังอยู่ในนั้นต่อไปเขาสามารถที่จะทําอย่าะไรได้มันก็จะเกิดการเห็นสภาวะต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติตามความเป็นจริง ในบางพระสูตรทุกเจ้าว่าสมาธิพิกเวฟาเวทภิกษุทั้งหลายเธอจงจเจริญสมาธิกันเถิดสมาฮิโต้พิกเวพิกขุยถาภูตังประชานาติภิสุทธทั้งหลายภิสุทธผู้มีจิตที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงความข้อนี้คืออะไรความข้อนี้ก็คือว่าเมื่อสมาธิมีกําลังไอ้ตัวรู้ที่มีอยู่ก็จะสามารถ เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงหมายความว่าอะไรที่มันปรากฏว่าเกิดมันก็เห็นว่าปรากฏอยู่เกิดอยู่อะไรที่ดับสลายมันก็เห็นว่าดับไปความเป็นจริงมันมีแค่นั้นแต่เราไม่เห็นความเป็นจริงอย่างนั้นแต่เรากลับเห็นด้วยโมหะสัญญาด้วยการหมายรู้ด้วยอํานาจของความหลงแล้วก็ปรุงแต่งออกไปต่างๆนานาปรุงแต่งไปว่า Uh, ปรุงแต่งไปว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนี้มันเคยเป็นอย่างนั้นมันเคยเป็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นมันอาจจะเป็นอย่างนี้หมายรู้ไปด้วยอำนาจของสัญญาแล้วก็ปร you know. ุงแต่งไปเรื่อยเรืยนี่แบบไม่รู้ตรงตามความเป็นจริงเพราะมันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดมันดับก็รู้ว่ามันดับนั่นแหละมันมีความเป็นจริงอยู่เท่านั้นมันไม่มีความเป็นจริงอย่างอื่นเพราะมันดับเสร็จมันก็หมด แล้วมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นเกิดขึ้นมาอีกมันก็เกิดเกิดเสร็จมันก็ดับอะไรที่เกิดมันก็คือเกิดความเป็นจริงมันก็คื อ, คอเกิดเท่านั้นแหละเสียงที่ได้ยินมันก็คือได้ยินได้ยินในขณะนี้ก็คือในขณะนี้พอมันดับไปหายไปมันก็คือดับไปมันก็จบนั่นความเป็นจริงอยู่ตรงนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะอยู่กับความเป็นจริงอันนั้นได้เพราะอะไรเพราะ อำนาจของโบวสัญญาด้วยอำนาจของความหมายรู้ด้วยความหลงที่มันมีเยอะมากในใจของเรามันก็ทําให้รู้เรามีกําลังไม่พอแต่ถ้ารู้นั้นมีสมาธิที่มีกําลังเพียงพอมันสามารถเห็นตรง ต, ร ง, ตรงต่อสิ่งที่เกิดเห็นตรงๆงต่อความเป็นจริงที่ปรากฏที่พระเจ้าว่ยายถาภูตังปัญชาณาติรู้เห็นตามความเป็นจริงก็คือว่ามันเกิดก็รู้ว่ามันเกิดดับก็รู้ว่ามันดับ ในขณะนั้นตรงๆอย่างนั้นแต่ตัวที่จะสามารถทําให้เราเห็นตรงๆอย่างนั้นได้คือตัวสมาธิเพราะเมื่อเรารู้ลมหายใจในลักษณะของการศึกษาเรียนรู้ลมหายใจตรงๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ ค, คือความรู้ความรู้ที่เกิดนั่นแหละจะมีกําลังของสติสมาธิอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาแล้วเนี่ยบางคนบอกว่ามันตันมันไม่ตันน่ะ เพียงแต่ว่าเราไม่มั่นคงต่อลมหายใจไม่มั่นคงต่อลมหายใจพอภาวนาไปแลว้วก็สงสัยอีกเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยที่ น, นู่นเขาปฏิบัติอย่างนั้นที่นั่นเขาปฏิบัติอย่างนี้เขาว่าอย่างนี้เป็นสมมติฐอย่างนี้มันเข้าไม่ถึงอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างคนนั้นว่าอย่างนี้เราไม่มั่นคงต่อลมหายใจของเรามันไปด้วยอํานาจของบุหัสัญญาด้วยการหมายรู้ด้วยอำนาจของความหลงมันไม่เข้าใกล้ เมื่อความรู้ที่มีสติปัญญามีสติและสมาธิปรากฏเนี่ยมันผิดรูปมันเดินไปคนละขั้วของโบหะสัญญาที่มีอวิชชาเป็นหัวหน้ามันเป็นอย่างไรในขณะที่เราอยู่ในโบหะสัญญาในอำ น, นาจของอวิชชาเป็นหัวหน้าเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีสติสัมปัญญะเพราะไม่มีสติสัมปัญญะ เรื่องทั้งหลายที่มันจะเดินต่อไปนั้นมันเป็นเส้นทางของการจมอยู่ในเรื่องของสังสารวัฏอย่างท่านตรัสว่าสติสัมปชัญญะอสติเมื่อสติสัมปญญะไม่มีให้พิจารณาดูสติสัมปชัญญะอสติเมื่อสติสัมปัญญะไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นสติสัมปชัญญะวิปันัสสะ หัตูปนิสั่งโขติหิโรตปังนะเพราะว่าหิริโอตปะของคนที่มีสติสัพพัญญาวิบัตถถูกกำจักแน่นอนที่สุดเลยเมื่อสติสัพปัญญะตัวที่แท้ไม่เกิดหิริโอตปะมันเกิดขึ้นไม่ได้เราจะไปสอนลูกสอนหลานสอนใครก็ตามว่าให้ละอายแก่ใจนะเกรงกลัวนะมันไม่เกิด เพราะมันเป็นผลของการมีสติสัมปชัญญะรุจ้าตรึงจัดเลยว่าสติสัมปชัญญะวิปนัสสหาตุวณีสั่งโหติฮิโรตปังหมายว่าฮิโอตปะของผู้ที่มีสติสัมปชัญญะวิบัตินั้นมันถูกกําจับแล้วมียังไงอีกอะฮิโอตฮิโอตเป ฮิโรตะเปอัสติเมื่อฮิริโอตะปะไม่มีฮิริโอตะปะวิป น, นัสสะหัตุบันิโซโหติอินซียะสังวโรเมื่ออินสียะสังวนคือการสำรวมระวังหมายความว่าความตั้งใจระมัดระวังกายใจของเราระมัดระวังตาระมัดระวังหูระมัดระวังจมูกรมัดระวังลิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตั้งใจระมัดระวังกายระมัดระวังใจเพื่อไม่ให้เกิดอกุสนอกุสนใดที่มันจะเกิดระมัดระวังไม่ให้มันเกิดอกูสลใดที่มันมีอยู่มีความระมัดระวังกาจัดมันนี่เรียกว่าอินทรียสังวรอินทรียสังวรเนี่ย ฮิริโอตะปาวิปันนัสสัหทุปนิโสโหติอินซียสังวรอินรียะสังวรสําหรับบุคคลผู้ซึ่งมีฮิริโอตะปาถูกกทำฮิริโอตะปาสาหรับที่ที่มีฮิริโอตะปาวิบัติผู้ใดที่มีฮิริโอตะปาวิบัตอินซียสังวรจะถูกกาจัดนี่มันแน่นอนอย่างนั้นทีนี้อินซียสังวร อินทรียสังวรีอสติเมื่ออินทรียสังวรไม่มีอินทรียสังวรวิป น, นัสสะหัตูปนีสังโหติสี่หลังศีลของผู้ที่มีอินทรียสังวรวิบัติจะถูกกําจัดเพรมันเลิกพูดเลิกคุยได้เลยเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีจะบอกว่ามีศีลไม่ได้ศีลจะเป็นผู้ที่ถูกสติสัมปชัญญะเป็นผู้อุปการะขึ้นมา เส้นทางมันเป็นตรงอย่างนั้นสีเลอัสติเมื่อศีลไม่มีสีลละวิปันสสะหัตูปนิสังโฆติสมาสมาธิสมาสมาธิของผู้ซึ่งมีศีลวิบัติเป็นอันว่ตถู ก, กําจัดเพราะฉะนั้นให้พิจารณาดูว่า ไล่เรียงมาตั้งแต่สติสัมปชัญญะจากการที่เรารู้ลมหายใจถ้าเรารู้ลมหายใจมาถึงสิกคือการศึกษาเรียนรู้ลมหายใจตร ง, งๆซื่อๆจนเกิดเป็นความรู้ในความรู้จะมีตัวสติกับสมาธิที่เป็นกำลังอยู่เล่มแน่วแน่อยู่กับลมหายใจอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆสติกับสมาธิ ก็จะแข็งแรงขึ้นมานั่นแหละเป็นฐานของสมาสติเป็นฐานของสมาสมาธิเป็นทางเดินเข้าไปสู่วิชาและวิมุตข้อนี้เพราะอะไรก็ไล่เรียงมาลําดับเมื่อสติสัมปจญญะมีมันก็ทําให้เกิดฮิริโอตาปะเมื่อฮิริโอตาปะมีมันก็ทําให้เป็นอินทรียสังวรเมื่ออินทรียสังวรมีศีลมันก็ปรากฏเมื่อศีลมี สมาสมาธิก็เกิดเมื่อสมาสมาธิมียถาภูตายาัศสนะก็เกิดเมื่อยถาภูตายารัรสนะมีขึ้นนิพิทาวิราคาก็เกิดเมื่อนิพิทาวิราคาเกิดวิมุตยาทัศสนะก็เกิดคือเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางที่ตรงถ้ามันทำเหตุอย่างถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนไม่สามารถที่จะผิดได้ จะบอกว่าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเดียวรู้ลมหายใจเข้าไปซื่อๆลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าก็รู้ใครจะไปว่ายัางไงก็ไม่สนใจเราแค่รู้ลมหายใจของเราไปอย่างเดียวรู้ลมหายไปไปจากการกำหนดรู้ลมหายใจต่อมาก็ศึกษาเรียนรู้ความละเอียดของลมหายใจต่อไปตามที่พระพุทธเจ้าสอนเลยรู้ไปเรื่อย สติกับสมาธิจะเกิดขึ้นอย่างมีกำลังในรู้ของเราและเมื่อเขาเกิดขึ้นอย่างมีกำลังในรู้ของเราเขาก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นลำดับขององค์ธรรมดังที่กล่าวมาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นทางเป็นทางของผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าเป็นทางของผู้ที่จะต้องถึงพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราลงทุน เ, อเยอะแยะมากมายเสียสะละเวลา เ, เ, เรายัางได้เพียงแค่ถือพระพุทธเจ้าด้วยอํานาจของโบหสัญญาอ้าวมีอะไรในปัญหาชีวิตของเรามันจะต้องจบด้วยการที่ถึงพระพุทธเจ้าแต่มันไม่เช่นนั้นเราก็คิดว่าท่านก็อนสอนแต่เรื่องอย่างนี้เอาแต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้จะกินอะไรอ่าถ้าอย่างนี้เรียกว่าเรายัางเป็นโบหสัญญาอยู่ ยังไม่เข้าใจอย่าว่าแต่ถือเลยแค่ความเข้าใจเราก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันก็มีการพูดกันว่าพระกอสอนแต่จะให้คนไปนิพพานจะสอนแต่ให้คนถือพระรัฒนตรัยจะสอนให้คนทําแต่ทานจะสอนให้คนอะไรต่างๆอย่างเ ง, งี้ยจนเดี๋ยวนี้ออกมาพูดกันเยอะแยะมากมายว่านับถือแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมบางคนก็บอกว่านับถือแต่พระธรรม คือถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้ามันจะตั้งเมื่อถึงพระพุทธเจ้าแล้วมันจะทําให้เราถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยการถึงพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าไม่เอาพระธรรมไม่เอาพระสงฆ์มันเป็นไปไม่ได้ไอ้อย่างนั้นเราเรียกว่าโบหะสัญญามันไม่ยังไม่ถึงเลยเพราะการถึงพระพุทธเจ้ามันจะถูกผูกเข้าไว้กับการรู้ในเรื่องของอริยสัจธรรมนังที่กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นและองค์ธรรมทั้งหลายมันก็ผูกไว้กับการปฏิบัติและการเรียนรู้ การปฏิบัติและการศึกษาเรียนรู้จนขั้นในขั้นของการพัฒนาสติปัญญาอย่างที่อธิบายลำดับความมาอันนี้เป็นเหตุที่จะต้องนํามาก่าบขานกันในเรื่องของการความธรรมนะในส่วนของการความธรรมอันเป็นเหตุสองประการคือวิสาขาบูชาและก็ด้วยเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายกับวันเกิดของอัตมภาพเองเฉพาะในส่วนของการบรรยายธรรมนี้ก็ พอทุกครเก่เวลาก็ยังมีเวลาต่อจากนี้ก็ขอเชิญชวนทุกทุกท่านเข้าเข้าสู่โหมดของการปฏิบัติธรรมซึ่งคิดว่าผู้ที่ฟังอยู่นั้นถวนมากก็มีพื้นฐานในการเจริญอาณาปานัตติกันมามากแล้ว ก็ที่นั่งอยู่ที่บ้างก็จัดการระเบียบเปลี่ยนอิริยาบทให้เหมาะกับการนั่งของตนเองนะนั่งพื้นไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้นั่งผัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งทับเพียรก็สุดแท้แต่แต่ให้ให้ถนังแต่ว่าท่านเตรียมการของการเจริญอาณาที่พระพุทธเจ้าจัดไว้มันมีสี่ข้อ ซึ่งพวกเราเป็นคนที่จะต้องการฝึกฝนอบรมอนาปานสทิต้องจำไม่ขึ้นใจท่านเตรียมตัวในการเจริญอนาปานสทิติหน้าหนึ่งหาสถานที่ให้เหมาะสถานที่เหมาะก็คือที่ที่มันเงียบในบาลีท่านว่าอารัญยัตัวรุกมูลรักตัวสุญญาการักตัวก็คือในป่าคนไม้เรือนร้างหมายความว่ามันเงียบปราศจากผู้คน ปรตาจากความพลุกพล่านพอนั่งลงไปแล้วมันไม่มีเสียงอะไรมารบ ก, กวนอันนี้เรียกว่าสถานที่เตรียมไหว้แล้วก็จากนั้นก็นั่งในอิริยาบถ ท, ที่เราเรียกว่านั่งบาลังกงาณพุทธจิตวานิชีตตินั่งคู่บาลังคือนั่งทําร่างกายเบื้องล่างให้มันเป็นแท่งเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบัลลังม้วนขาเป็นวงเข้าไป ทีนี้ถ้าเรานั่งพื้นไม่ได้เรานั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้ก็ต็นั่งเรียกว่าห้ยเท้าวางเท้าไหวแบบวางแบบนิ่งวางแบบงงๆวางแล้วไม่ไปไ ม, ไม่ไม่ต้องเกิดความเพาะวงอันนี้เรียกว่านั่งคู่บาลังไปที่สําคัญที่สุดคือการตั้งกายให้ตรงตั้งกายให้ตรงเนี่ย ไห้รู้ไว้เลยว่ากระดูกสันหลังตรงมาจนถึงกระดูกคอต่อตั้งเป็นแนวเส้นตรงอ้นี้เรียกว่าตั้งตายให้ตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาร่างกายของเราถ้ามันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเวลานั่งปั๊เดียวมันก็จะนั่งได้ไม่นานมันก็จะเกิดการเบียดเสียดเกิดการบีบขั้นของกล้ามเนื้อของเส้นเอ็นซึ่งมันจะสร้างเวทนาให้กับเรามันรบ ก, กวนต่อการจเจริญอาณาปานสติของเราได้ เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ในชั้นของการเตรียมการเรียกว่าอุจุงการยังปานิทายะคือตั้งกายให้ตรงเป็นข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือว่าปริมุขขังสติงอุปัตเตเบตวะทีนี้ต้องเตรียมสติเตรียมเตรียมสติเรียกว่าดํารงสติอยู่เฉพาะหนะ้าการดํารงสติอยู่เฉพาะหนะ้าเป็นอย่างไรก็คือ ดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าแต่เดิมก่อนที่เราจะมานั่งที่จะก้าวมาถูกรเจริจรือนานาปานตินั่นสติเราเดียกว่ารู้มันไปรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนั้นมันครุ้งคลานแต่ตอนนี้เราไม่เอาเราเอามาอยู่เฉพาะหน้าในขณะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เฉพาะหน้ามันคือเป็นสติที่พร้อมที่จะรู้ลมหายใจ นี่เราวิธีการที่จะทําให้เขาพร้อมหน้ามันมีวิธีการเสริมมันเป็นเทคนิคนะก็้เราก็น้อมจิตเข้ามามารู้สึกที่ใบหน้าของเราเองเรียกว่าดึงดึงจิตออกมาจากทุกเรื่องดับความอาลัยความปริโพดทั้งหลายที่มันคอยเป็นห่วงเรื่องบ้านเรื่องนู่น ôn, เรื่องงานเรื่องการต่างๆเอามารู้สึกที่ใบหน้าเลยนึกไปที่หน้าผากของตนเองคิ้ว แกมซ้ายแกมขวาทางปากจมูกเกนกระทั่งมันรู้สึกทั่วใบหน้าได้นี่เรียกว่ามันดึงมันดึงจิตออกมาจากทุกๆเรื่องแล้วก็มาอยู่ที่ใบหน้าอันนี้เรียกว่าขั้นเตรียมการซึ่งเราจะต้องจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีทุกคนการทรรมานา แต่สำหรับคนที่ทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วก็มาบอกกับตัวเองว่าเราไม่เป็นไรเราปักไปถึงเข้ารู้ลมเลยเราได้จริงๆมันเป็นความประมาทเพราะว่าเราอาจจะนั่งไม่ตรงก็ได้กระดูกกระเดียวของเรามันอาจจะไปเบียดเสียกับเส้นเอ็นอาจจะไปเบียดเสียกับกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ลักษณะการนั่งของเราเท้าซ้ายเท้าขวา หรือที่ก้นกบของเราที่มันกดกันรั้วอะไรกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่ไม่พร้อมมันจะทำให้เกิดเบทนาขึ้นได้การทำอย่างนี้ก็ใช้เวลาไม่มากทำบ่อยๆมันก็จะชำนานเมื่อเมื่อเราเตรียมการสี่ประการอย่างนี้ได้ต่อไปก็โซสโตัววะสะตีสตปัสะติ นี่เป็นประโยคที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการภาวนาที่คนเขาเอาไปเขียนกันเป็นสองเล่มสามเล่มใหญ่ๆที่เราอ่านแล้วไม่รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงแต่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยประโยคแรกที่จะเข้าสู่การภาวนาโซสโตวะอัสติสโตปัสติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามันยากเย็นแสนเข็นที่ไหนพอเราจะพูดถึงเรื่องของการภาวนาแล้วคนนึกแต่ว่า หลวงปู่องค์นั้นว่าอย่างนั้นหลวงพ่อองค์นี้ว่าอย่างนี้หนังสือเล่มนั้นว่าอย่างนั้นวันนั้นไปข้าวโพด น, นั้นข้าวโพดน้ น, นมาก็ว่าอย่างนี้วันนั้นก็อย่างนั้นวันนั้นก็อย่างนี้มันวุ่นวายไปหมดมันไม่ไปแตะไม่ไปแตะคําว่าโซส โ, โตวะอักสติสโตปัสติที่พระพุทธเจ้าสอนไปสั้นท่านแค่นี้เลยเหรอทีนี้ถ้าเราจะเอาจริงๆในเรื่องของการภาวนาเราต้องกล้าพอกล้าพอที่จะเข้าหาพระพุทธเจ้าพร้อมที่จะฟังแจะกดเชื่อ ทำตามในสิ่งที่พระองค์โดยตัดสัญญาตั้งหลายออกไปชู้ โ, โตูวะอัสติสตูปั ส, ะ ต, ะสะติมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าแต่เดิมเราไปทําอย่างอื่นไงแต่ตอนนี้เราไม่เอาละเราจะมีสติกการหายใจออกมีสติกการหายใจเข้าทีนี้วิธีที่จะให้สติดูกับลมหายใจออกลมหายใจเข้าในเริ่มต้น ก็ง่ายๆเราหายใจเข้าไปง่ายสุดหยุดการหายใจไว้แล้วก็ตั้งใจตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วก็ปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาชา้าๆพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกนั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลออกพอลมหายใจไหลออกสุดป๊อปต่อไปก็รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้า ตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจรู้อยู่ที่เดียวเฝ้ารู้ดูอยู่นิ่งๆตรงนั้นที่เราสามารถรู้สึกได้ว่าเราหายใจออกเราหายใจเข้าแล้วรู้สึกลมหายใจตรงไหนได้เราก็รู้นิ่งๆอยู่ตรงนั้น่ะเมื่อลมเคลื่อนผ่านมาเป็นลมออกเราก็รู้ลมเคลื่อนผ่านมาเป็นลมเข้าเราก็รู้ลมเคลื่อนผ่านมาเป็นลมออกเราก็รู้รู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจนจิตรู้ อยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้จนรู้มีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่จิตของเราที่ค็จะไปสวยอารมณ์ต่างๆออกไปทางหูบ้างทางจมูกบ้างไปฟังเสียงไปดูไปดมกลิ่นไปลิ้มรสโดยเฉพาะด้วยอำนาจของสัญญาเป็นการน่วงนึกคิดไปเรียนเรื่องต่าง ๆ, างๆก็ไม่เป็นไร เพราะเขาจะต้องหาที like so ่อย so ู่ของเขาจิตจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ของอวบนู่มากของอวิชชาจิตจะอยู่นิ่งๆโดยปราศจากปราศจากสติสมาธิไม่ได้เพราะปราศจากสติและสมาธิจิตจะอยู่นิ่งไม่เป็นเขาจะต้องวิ่งหาที่อยู่เพราะเขาเป็นธรรมชาติรู้ในทีนี้เรารู้ลมหายใจด้วยความตั้งใจรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจในขณะเดียวกันเขาอาจจะไปรู้เรื่องนั้นอาจจะไปรู้เรื่องนี้ ก็ไม่เป็นไรให้เขารู้ไปแต่เราตั้งใจรู้ลมหายใจลมหายใจจึงเป็นเครื่องที่ถูกรู้หลักเมื่อเราขับรถอยู่บนถนนเราขับอยู่ในเลนของเราเราขับไปแต่ในระหว่างนั้นเราก็เห็นข้างซ้ายเห็นข้างขวาได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้มันก็ได้ยินไปมันก็เห็นไปแต่เราไม่ใส่ใจแต่เราโฟกัสใส่ใจอ ย, อยู่ที่เลนที่เรากาลังขับอยู่อันนี้ก็เหมือนกัน เรารู้ลมหายใจเราก็รู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแต่ในขณะนั้นมันจะไปรู้เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันก็แค่รู้ผ่านไปเพราะเพียงแค่เราไม่ใส่ใจแต่เราใส่ใจอยู่ที่ลมหายใจไอรู้ทั้งหลายแหละที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นมันก็ดับไปเกิดขึ้นมันก็ดับไปกำลังที่จะเป็นสิ่งถูกรู้ก็ไม่มีมันก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้ไปเรื่อยเรื่อยเราใส่ใจอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้น อันตรแนวแน่ตลมหายใจเส้นทางของการภาวนาของเรามันจะเดินได้ตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งจนสูงสุดของมันไปเรื่อยๆอย่างนี้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้เป็นลำดับไปเมื่อเรารู้ลมหายใจตั้งใจกำหมดรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าแล้วก็ลองทำลมหายใจให้มันยาวในขณะที่เรียกว่ากำหนดรู้นี่มันสามารถทำได้หมดนะ แต่ในการทํากําหนดรูลมหายใจพระพุทธเจ้าให้เราทําไว้สองเรื่องคือลมหายใจยาวกับลมหายใจสั้นที่ว่าที่ขังว่าอัจฉริชนโตที่ขังอัตฉริสมีติประชานาติที่ขังว่าปัจฉริชนโตที่ขังปัจฉริสมีติปัชชะนาติรัตขังว่าปัอัจฉริชนโตรัฐขังอัตฉริสมีติปัชชะนาติรัตังว่าปัจฉริชนโตรัตขังปัจฉริสมีติปัชชะนาตินี่ย ในการกำหนดรู้พระพุทธเจ้าให้เราทําลมหายใจได้สองแบบคือลมหายใจนั้นมันได้หลายแบบแต่พระพุทธเจ้าให้เราทาสองแบบแบบที่หนึ่งทาลมให้มันยาวหายใจออกให้ยาวแล้วก็รู้หายใจเข้าให้ยาวแล้วก็รู้ หายใจออกยาวลมหายใจเข้ายาวทำลมให้ยาวก็รู้ลมออกยาวรู้ลมออกเข้าไอ้ลมเข้ายาวรู้ลมออกลมเข้ายาวรู้เพราะวันลมหายใจบางครั้งในขณะที่เราดูลมออกแล้วรู้ลมเข้าบางทีรู้ลมออกลมเข้าเป็นชุดเดียวกันมันติดกันจังหวะ ใหม่ๆนั้นพอลมออกบางทีลมออกมันยังไม่ทันฉุดลมมาเข้าแล้วบางทีลมออกยังไม่ทันฉุดมันหยุดซะก่อนพอเราจะหายใจเข้ามันหายใจออกไปนิดหนึ่งก่อนแล้วมันยังจะหายใจเข้าแต่เพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าให้เรารู้จักทําลมให้มันยาวพอทําลมให้ยาวตั้งแต่ต้นลมจนถึงสุดลมเนี่ยมันจะเป็นลมเดียวกันตั้งใจทําลมให้ยาวหายใจออกยาว ตั้งแต่ต้นลมจนถึงสุนฉุดลมมันจะเป็นลมเดียวกันแต่ถ้าเราไม่จัดการทำลมให้มันยาวบางครั้งลมหายใจออกเนี่ยต้นลมกลางลมปลายลมสุดลมบางทีมันก็เป็นขยักขยักอยู่สองสามท่อนแต่ถ้าเราตั้งใจทำให้มันยาวมันจะเป็นลมเดียวกันรลุดตั้งใจลมออกยาวได้ลมเข้าก็จะได้ด้วย ธรรมชาติลมหายใจนี่รู้ลมยาวเป็นอย่างไรลมออกยาวเป็นอย่างไรลมเข้ายาวก็จะเป็นอย่างนั้นหายใจออกยาวรู้หายใจเข้ายาวรู้ทําอยู่อย่างนั้นโดยระยะเวลาประมาณหนึ่งในการทําลมหายใจยาวนั้นถ้าเราอเอาแค่ทําลมหายใจยาวอย่างเดียวไม่ต้องไปทําลมหายใจสั้น เรียกว่าเราบริหารจัด ก, การลมหายใจยาวอย่างเดียวมันก็จะส่งผลเป็นตามลำดับของการปฏิบัติด้วยการพัฒนาของสติและสมาธินะเพราะว่าลมหายใจยาวถ้าเราทำลมหายใจยาวตอนแรกๆมันจะยาวมากแล้วความยาวของลมหายใจมันจะค่อยๆสั้นลงมากดตัวลงมามาอยู่ในระดับลมหายใจยาวที่มันเป็นสปายะ มันเป็นลมยาวอยู่แต่มันยาวที่แบบสบายๆและลมก็จะเรียกิตที่รู้ก็จะมีกำลังและรู้ที่ตรงต่อลมหายใจนั้นมันมีกำลังแรงแต่ให้สังเกตว่ารู้ในกิริยาที่ลงไปสู่ลมหายใจนั้นมันเบาลงแต่กำลังของรู้แรงรู้กันมีกำลังมาก Elsa, กิริยาที่จะไปแตะตับลมหายใจนั้นมันเบาอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องแต่ถ้ากาลังของรู้เบากิริยาที่ไปแตะต่อลมหายใจก็เบาไอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวมันจะหลับไอ้ที่หลับหลับหลับหลับเพราะว่ากำลังของรู้มันเบาตัวรู้ที่ไปแตะกิริยาของรู้ที่ไปแตะตับลมหายใจมันเบา อย่างนี้เดี๋ยมันจะหลับกําลังของรู้ที่แรงมันแรงด้วยอะไรแรงด้วยกําลังของสติและสมาธิมันเมื่อเรารู้ลมยาวทาลมยาไปเรื่อยๆกาลังของรู้ที่แรงขึ้นแต่กิริยาของรู้ที่ไปรู้เราหมายใจนะมันเบามันเลยทําให้ความราบเรียบ ความสงบในชั้นของรู้ที่ไปแตะกับลมหายใจมันปรากฏรู้ก็จะค่อยๆ อ, อิสระออกมาจากลมหายใจรู้ที่มันแตะกับลมหายใจเบาลงเบาลงเบาลงเบาลงนั่นแหละคืออาการที่รู้คขากาลังจะเป็นอิสระจากลมหายใจนี่ว่ากันถึงเรื่องของลมยาวแค่ทำลมยาวไปอย่างเดียวรู้ที่มีกําลังแรงขึ้น แต่กิริยาของรู้ที่ไปแตะอยู่กับลมหายใจยาวนั้นเบาลงที่เขาเบาลงเพราะเขาเริ่มจะเป็นอิสระจากลมหายใจอาการกําหนดของรู้ที่จะไปกําหนดต่อลมหายใจมันเบาลงมันเบาลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยเรืยเยแต่รู้มีกําลังแรงขึ้น แต่กริยาของรู้ที่แตกอารมณ์หายใจนั้นมันเบาลงไปเรื่อยๆนั่นคือาอาการที่ว่ารู้เป็นอิสระจากลมหายใจอันนี้ว่าเป็นเรื่องของการทำลมหายใจยาวเสริมไว้ตรงนี้ทังการกำหนดในการทำลมหายใจแม้ว่ามันมีอยู่หลายอย่างแต่พระพุทธเจ้าให้เราใช้สองอย่างเป็นศัพท์ว่าปัญญานาติคือทาลมให้ยาวไม่ใช่ทำครั้งเดียวนะทำไปเรื่อยๆ เป็นความยาวของลมนั้นมันหดตัวมาเป็นธรรมชาตเาิเป็นยาวที่เป็นยาวที่ชนิดที่เรียกว่าเกิดความสบายแล้วก็ปล่อยลมธรรมดาธรรมดามันก็จะเป็นลมที่สั้นลงมากกว่าลมยาว ข้อสำคัญที่สุดต้องตัดอุปกิเลสของอาณาออกไปด้วยอย่าไปกังวลอย่าไปหมายรู้อย่าไปตั้งเป้าคาดหวังกังวลมเพราะว่าในขณะที่เรารู้ลมหายใจไหลออกมันเที่ยวไปกังวลว่าลมที่ออกแล้วมันจะไปไหนหรือลมที่กาลังไหลออกมานี่มันมาจากไหน หรือในขณะที่รู้ลมที่หายใจออกรู้ลมที่ไหลออกอยู่จิตมันยังไปกังวลถึงลมที่จะเข้ามาซึ่งมันยังไม่เกิดหรือขณะที่รู้ลมหายใจเข้าจิตมันยังไปกังวลเรื่องลมหายใจออกซึ่งมันยังไม่เกิดอันี้เรียกว่าอุปกิเลสมันทำให้การอาณาของเรามม่หมองหรือในขณะที่เรารู้ลมหายใจไหลออกมันเกิดความสงสัยขึ้นมา วมันจะได้อะไรทําไมมันไม่สงบเสถียรหรือปรารถนาความสงบ ห, หรือด้วยอนาจของสัญญาอย่างเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันซืนหรือเดือนที่แล้วก็นั่งรู้ลมหายใจมาถึงตอนนี้แล้วมันสงบมันเย็นมันแช่มชื้นอย่างนี้มาตอนนี้จิตมันก็เกิดความปรารถนาอยากจะได้อย่างนั้นขึ้นมา มันก็จะหลุดออกจากลมหายใจหรือแม้มีอยู่มันก็เบาบางกำลังมันเลยไม่พอที่จะให้เกิดสติกับสมาธิในรู้ได้ในเรื่องเหล่านี้มันเป็นอุปกิเลสของอานาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมั่นคงอยู่กับรู้ตรงถูงลมหายใจเท่านั้นตรงๆมันก็จะให้นั่งไปสักระยะเวลาประมาณหนึ่งนะ ไมตั้งใจก็จะหยุดเสียงไว้ชั่วคราว <C oughs> ได้เวลาพอสมควรทันที่ประสงค์ที่จะปฏิบัติต่อที่บ้านก็สามารถที่ปฏิบัติต่อได้แต่ผู้ที่เดี๋ยววันนี้เราก็จะได้แผ่เบตตาร่วมกันการแผ่เบตบาในวันนี้ ทำใจให้มันยิ่งใหญ่นะทำใจให้มันยิ่งใหญ่ปลูกความปรารถนาดีด้วยอำนาจของสติสมาธิที่เราฝึออกฝนอบรมมาจิตที่รู้ลมหายใจอย่างต่อเนื่องตกกระลึกมาเป็นอุเบกขาในขณะ น, นี้ให้มันเป็นกําลังสําคัญไปตั้งความปรารถนาดีด้วยกําลังอุเบกขาที่มีอ้างคุณประพุทธประทมประสงค์ แล้วตั้งติดอธิษฐานมอบความปรารถนานี้นี้การต่อไปยังสัมปูระสัตว์ปวงโดยเฉพาะมนุษยชาติทั่วโลกให้อดพ้นจากโรคไทยทั้งปวงให้มีจิตใจอ่อนน้อมให้มีสติปัญญามีความไม่ประมาท ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตูใดปรารถนาสิ่งใดใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนาเหล่านั้นสมสําสำเร็จตามความปรารถนาจากนั้นก็ตั้งใจแผ่เมตตาสปีสตาสันโต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 ขอสัตว์ทั้งสินนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้สเสวียผลบุญอันก้าพระเจ้าบำเพ็ญแล้วนั้นเธอนขออนุโมทนากับทุกๆคนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยการความธรรมและปฏิบัติธรรมในวันนี้นะสำหรับวันนี้ก็ ขอยุติการควารรมและการปฏิบัติธรรมลงด้วยเวลาเท่านี้แล้วก็คอยติดตามข่าวสารว่าโอกาสหน้าจะมีในวันที่เท่าไหร่ทางอาคารรมดีรุ่งโรดก็คงจะมีการประกาศออกไปสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่เพียงเท่านี้นะ